ทำมาจักกับประวัตินสูตร เอวามิสุตังเอกังสมยังพวาภารณสิยวิหรติอิสิปตเมิกาายตรารคพระวาปัญจวาคเพฆุอาันเติทเวเมพิคะเวอันตาปา ชิตเนาสวิตาภายโยจายังกามิสุขามสุขาลิกานุโยโขหโนคามโมโปทุชนิกอนาริโยอนาทสานิโตโยจายังอาตคิยลมาธานุโยโขอโคอนณาริโยอัน นาทัสสันหิตโอเอเตเตพีคะเวโอโผอันเต อนุปัฏามมมาดิมาปฏิปทาตถคเตนะอภิสามโพธาิจากุการณีญาณการณีโอปัสสมยะเพียญาญาสามโพธาญาณิพานะยสามวาตติกตตาจะาพิเขเวมัชิมาปฏิปทาตถาค เตนะภิสามพุทธาจาโุการณียาณกรณีอุปสมายาภินยาสามพุทธายนิพานายสางวาติอยเมียอริยอาทังกีโวมะโคสายาธิทางสามมทีที่สามมาสางกปูสมมาว ปัจจมากามตัวสัมมาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาทิอาังโคสาพิคะเวมาิมายปาติปัาตาาคเตนะอภิสัมพทธาจากกคารณียานาคารณีอุปัสสัมาญา ทินยายาสามโพธายนีภาณะยาสางวาติอิทังโคปนภิกขเวทุขังอริยศาสจังชาติปิตุขังชาราปีตุขังมรณะปีตุขังโสกปริเทวาทุขัโทมานัสุปายาซาปีทุขังอปิเยหิ สามประโยชโคทัวโคปิเยหิวประโยชโคตัวโคยามปิเชังนรภิติตมปิทูขังสร้างกิเตนปาจุปาทานาขันธาตูคาอีทังโคปนภิกขเวทูคาสมุทยโยอริยศาสจางยายังตัหาปวโนภวิกานา ที่ราคะสหคตราตรัตระตรัตต์ราพินานที่นิสัยยติทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีทางโคปะนาภิคะเวทุกันิโรธโออริยสัจจโยตัสายาวตันหายาเสสวีรคันิโรธโอจาคโคปตินี สักโวโมติอนารโยอิทังโวปะนภิกเกเวทัวคเนโรทขามิเนปฏิปัาอริยศาสจอยเมวอริยานทังคิโกมะโวสยญทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมถะโพสัมมาวาจาสัมมากรรมตัวสัมมา ชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทิทางโทกข้างอริยศาสตร์จันติเมพีคะเวปุปเปยานาโนสุเตสุธาเมสุจักุงอุทปาทิยาอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชัยอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิต่างโคปานิทางถูกข้างอริยศาสตร์จัง ปารินยาญาติเมผีเขเวปัวเพรอะนาโนสุเตสุธามเมสุจักคุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิเวชาอุทปาธิอารมโกอุทปาธิต่างโคปันิทังทุขังอริยสะอาจังปาริญยาตานติเมผีเขเว เวปูเพออนันตสุเตสุธาเมสุจากภูงุทปาทิยานณัทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารุโกุทปาทิอิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกขเวปูเพออนันตสุเตสุธาเมสุจากภู อุทปาะทิญาณังอุทปปิปัญญาอุทัปปะิเวชาอุทปาะิอะรโกอุทัปาทิตังโฆปนิทังทัวคสมุทัยโยอริยศาสจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเอเพอนโนสุเตสุธมเมสุจากขวงอุทปาะิญาณังอทัปป ปัญญาอุทปาธิวิจชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิตังโคปนิทางทัวขสมุทยโยอริยศาสจังปหฮีนานติเมพีเขเวโปเมอนนุสสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาธิญางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิจฉาอุทปา ทิอโรโกอุทปาทิอิทังทัวคนิโรโทวอริยศัสจันติเมภิเคเวปุอาณาโนสุเตสุธาเมสุจากพวงอุทปายทิญานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโรโกอุทปาทิตังโคปานิทังทัวคนิโร โทวอริยศาสจังสาชิกาตาพันติเมผีเขเวปัวเพออนันทสุเตสุทามเมสุจากคูอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก้อุทปาทิทังโคปนิทางทุกข์นิโรทว่อริยศาสจังสาชิกาตา ติเมผีเขเวผัวเพอนนุสุเตสุธรมเมสุจากหงอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอารโกอุทธปาทิอิทังทุกขเิโรทคามิเนียิปาติปัฏฐานติเมผีเขเวปัวเพอนานุสุเตสุ สุธรมเมสุจักวงอุธปาธิญานางอุทปาธิปัญญหาอุทปาธิวิชาอุธปาธิอารมโกอุทปาธิตังขวปานิทังทุกขนิโรธคามิเนียปฏิปัตาอริยศาสังพาเวตพปันติเมพิคะเวปอนาณุสุเตสุธรมเมสุจักวง อุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาธิอารมโวอุทปาธิตังข้ปานิทังทุกขนิโรธธรรมิเนียปฏิปธาอริยสัจจังภาวิตันติเมผิเขเวปัวเพอนาโนสุเตสุธรมเมสุจักคุ่อุทปาธิยานังอุทป ป า, า, าทิปันญาอุทาปาทิวิชฌาอุทาปาทิอารกโกอุทาปาทิยาวกิวันจะเมพีเขเวหิเมสุจตวสุอ ร, ริยศาสาเจสุเอวันติปะลิวัตังทวัตตาการังยทาผูตังญานทาสานัง น, นสุวิสุทธังอะโหสิอเนวตาภาฮังพี เวสเทวเกโรเกะพระเกสะพราหมะเกสะสมณพระมณิยาปัญญายสเทวมนวษยสายอนุตารังสัมมาสัมโพเทิงอภิสัมโพโทปจัญญาสิงยาตุจะโคเมบิขเวมเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตเต ทาทวารทศการรังยาพาโปตังญาณทาสนังสุวิสวดทางอโหสอธาหังพิเขเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรามเกสัสสมณพรหมณิยาปัญญาสเทวมนุษยานุตตา ranging สามมาสามโพติอภิสามโพตัวปัจจันย ยาเสียงยานานจะปัณณเมธาสนาอุทาปาทิอากูปาเมวิมติอัยยามันติมาชาตินาธิทานิปุณาภวติอิธัมโวจะภักขวาอาตมันนาปันจวากิยาพีขัวภะกขวาตวพาสีตังอาพินานทุงอิมาสมิ่จะปัณณวายยาการนาสมิงปัญญา เนียยะสมะตวโกนทันยาสวิราชวีธรมรังธรรมจากขวงอุทปาทิยังกินที่สมุทัยธรรมงสาพันตังนิโรธธรรมมันติปวะติเตจักขภาวตาธรรมจากเกียบภูมิเทวาสาธมนวสาเวทรงเอตามพักวตาภารานสิยา อิสิปัตติมีคาาเยอานุตารังธรรมจากกลางปวัตติตัอาปาติวัติยังสมเนเนวะพระมเนนวเทเวนาวามเรณาวพระมนาว a เกณจิวารุกัสสมินต ภูมมานังเทวานังสาธังสุตตวะจตุมหาราชิกาเทวะสาธัมโนสาเวสรงจตุมหาราชิกานังเทวานังสาธังสุตตวะตาวะเตีงสาเธะ สาธมโนุษะเวสรงตาวติงสานางเทวานางสทธางสุตตวายามาเทวาสาธมนุษะเวทรงยามานงเทวานางสาธางสุตตวตุสิตาเทวาสาธมนุษะเวทรงตุสิตานางเทวานง นางสาทังสุตตะวานิยมานารติเทวะสาธมโนสาเวสุงนิมานารตีนางเทวานางสาทังสุตตะวะประเนียมิตวสวัตีเทวะสาธรมโนสัเวสุงปรณีมิตวสวัตีนางเทวานางสาทังสุต สตตวะพามปาริสาชาเทวาสาธมนวษะเวทรงพระมปาริสาชานางเทวนางสาธังสุตวะพามปโรหิตาเทวาสาธมนวษะเวทรงพระมปโรหิตานางเทวนางสาธังสุตวามหาพระ มาเทวาสาสทัมมนุสเวสุขมหาพรามานังเทวานังศาสทางสุตวะปริตตาภาเทวาศาสทัมมนุสเวสุขปริตตาภาณังเทวานังสาสทางสุตวะอาปมานาภาเทวาศาธทมมนุสเวสู อาปามานาผานังเทวานังสาธังสุตวะอาภัสราเทวะสาธัตมโนสาเวสรงอาภัสราณังเทวานังสาธังสุตวะปริตสุภาเทวะสาธัตมโนสาเวสรงปริตสุปานังเทวานังสาธ สุตตวะอาปมาะนัสุภาเทวาสัตถมนุษะเวสุงอาปมาะนัสุภานางเทวนางสัตถังสุตตวะสุภกินหักาเทวาสัตถมนุษะเวสุงสุภกินหักานางเทวานางสัตถังสุตตวะเวหะพะไรเทวาสัต มโมสดาเวสุงเวหาภรานังเทวานังสัตถังสุตตวาอวิหะเทวาสัตถมโนสดาเวสุงอวิหะนางเทวานังสัตถังสุตตวาอปาปาเทวาสัตถมโนสดาเวสุงอติปานางเทวานังสัทถังสุตตวาสุต สาเทวะสาธธรรมโนดสาเวสุงสุธาสนางเทวะนางสาธทางสุตวะสุทาสีเทวะสาธธมโนดสาเวสุงสุธาสีนางเทวะนางสัาธทางสุตวะอคติถากาเทวะสาธธรมโนดสาเวสุงเอตามพระควตาภาร นาสียังอิสิปตเนมิคาถาเยอโนตารังธรรมมาจากกลางปวัตติตังอปาติวัตติยังสัมเนนวะพระมาเนนนาวะเทเวนวามะเรณจวาพระมุนาวะเกณจิวาโรกัสมินติ อิติหเตนะคันเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมโลกาสาธโทอาพัวคาชิอาญาณจธาสสะหาสีโลกกะทาตุสังการปิสามปะกามปิสามปะเวทิอาปมะโนจะโอราโรโอภาโสโรเกปาตุระโหสิอติกรรมิว เทวานังเทวานุพาวังอัตคุภะคะวะอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวตโพกนทันโยอัญญาสิวัตโกนทันโยติอิติหิทางอายสมตุกนทันญาสัญญโกนทันโยตเววนามัง อาโหสีติ si